เทศอบรมพระวันที่14เมษายน2522ายเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนมากปลุกใจดีมากกันนี้เฉพาะเทศคนภาคอีสานแม้จะจนแต่ก็พอมีความสุขทางใจอยู่บ้าง พระไรนารัวสวนเป็นของตัวส่วนภาคอื่นโดยมากเป็นลูกจ้างเช่านาเขาทาเทศเรื่องความทุกข์ของโลกเต็มไปหมดผู้หญิงมักมีความคับแคบมองกันในแง่ร้ายพระเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่กลับเป็นยักษ์ของโลกคอยแต่จะกัดตับกัดปอดเอาห้าเอาสิบกับเขาและพูดเรื่องเขาว่าเราดุ พระมหากษัตริย์พระราชินีว่าเราดุตอนนี้พูดตอบเผ็ดร้อนกันนี้เผ็ดร้อนมากหน้าเอไม่ควรอัดให้สำหรับครวาดพูดหน้าบีเกี่ยวกับบุรีตราไก่และให้เอาบาดลงจากเชิงบาดการพูดกันต้องมองในแง่เหตุผลอัตถมอย่านำทิฏฐิมณะมาขายต่อมูเพื่อนฝูง จะเป็นความเร็วมากจีเดียวทั้งหน้าเอและหน้าบีเผ็ดร้อนพอๆกันเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันด้วยกันนี้ห้ามอัดให้ครวดเพราะเป็นธรรมเฉพาะพระโดยแท้ทั้งหน้าเอและหน้าบีวามทุกคนเต็มห้มันอยู่ที่รนี้ที่ทำาสงบ มีดีตามมากเนาะของนาเราแบบที่หนึ่งเนี่ยเขาจนแต่พูดถึงเนี่ยความเป็นเศรษฐีเราดูที่มีเงินงมากๆนังเขาสมมติกันนั่นพวกนี้ของมันมีแต่ความสบายในใจนังเขามีมากอย่างแถวๆนี้มันปิดนี้ปิดินพลุนพลังนี่ของนักข่ามน้าก็เป็นของตัวรั้วสวนเป็นของตัวทำของตัวได้มากนะก็เป็นของเขาเป็นหน้าสินังเขาเอง ถ้มีใครมาแบ่งมาแยกมากขูดมารีายดไถลงเขาไปส่วนภาคกาลางนี่นะมีเป็นอย่นนางนั้นภาคกลางภาคอีสานมันมีดีอย่างส่วนมากเขามีสมบัติเป็นของเขาเป็นเลือส่วนน้อยน้อก็เป็นของเขาอยู่เขาไม่ขายทำให้กี่แสนกี่ล้านเฉพาะอย่างมันต่างด้วยเลยวหรไม่ขาย มาหาสิมากี่แสนแปลากี่แสนโว้ยเงินแสนกินกี่วันวักเนี่ยนานี่กินมาแต่พ่อแต่แม่ไม่เห็นหมดไม่มีเงินแสนเมืม่อมีข้าวกินแล้วก็สล า, สาไม่เดือดร้อนเงินแสนใไม่กี่วันหมดเพราะสิ่นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งคงทนถาวรเหมือนนาเนี่ยเขาพิการณา เขาต้องมาขายของขายของเราแต่ว่าโง่ชะล่าอย่างหนึ่งเป็นทางภาคกลาง ร, รู้สึกจะนีแต่นาเช่าโอ้โหถึงเวลาเขามาตักมาตวงมารีดมาไถ่แล้วถึงพูดไม่ออกจ้าของมีเยอะนะภาคกลางนี่มีมากไหมทําอย่างนั้นไม่ใช่นาเป็นของตัวนะมีแต่ร้างก็ทําทำเท่านั้นถึงเวลาเจ็บเกี่ยว ดอกเก็บผลามาเอาอย่างหน้าตาเฉยนี่เพรเดี๋ยวคนกลางคนกลางตอนนี้นานขาขายกดราคาคนกลางซื้ อ, อติดนี่เขาก็มาข้าวเขียวในนาถูกมากข่างถือรามมั่นองอีกท่านอ่าท่านทุกท่าน ยี่สิกว่าชั้นอย่งเมืองไทยเนี่เราจะเข้าใจว่าเขามีเงินมีทองเป็นของเขาแล้วเขามาสร้างโดยไถ่เยอะ น, น, นั่นเป็นความเข้าใจอไปกู่ธนาคารมาโหดอกเบี้ยจมไ ป, ไปเลยจมเลยหาไ ม, ม่ทงงันลมเจ๊งมีเยอะทีฆ่าตัวตายผูกคอตายเพหาไม่ทนันมีกันมากมายพเาเห็นรู้ห ล, ละะานจ่บอกเขา เห็นเจ้าหน้าจอดตาเจ้าสมบัติเงินทองถ่ายเดียวนั่นถูกความจริงแล้วพวกนี้ส่วนหน้าไม่จะไปเที่ยวทำเงินคู่ธนาคารเข้า ม, มาเลยแม้แต่กี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทำงานใหญ่ๆต้องหาครับที่ธนาคารเขาดึงกู้ต้องประกันที่หาเขามาได้เขาก็รีบรีบด้วย เรขอความคิดดีหลังมันเรื่องวัตถุต่างๆนันเป็นทำลายจิตใจไดนะ้เพราะจิตใจเออหงเถใครป ร, ประยับหน้ามีตาหังช่อเสียจิตเสียจิตวุ่นไปที่ไห น, นมีคนนับหน้าถือตาถือว่าเป็นความสุขมันชกุกเอาเราชั่วขนาๆขนาดงาน ยกแก้วอยู่นัพ่พิถีินผมดููขึ้นวิน่งอ่ะเราไม่ดูก็มองคนเน้นียร้ายล้ามองดูเนี่ยขุนเนี้ยความจริงต่างคนต่างยกแก้วขึ้นมาแก้วชื่ออะไรอัวโลกเาขาถ่ายพิถีพิณยืนยิ้มแย้มแจ่มใสมันกียาประดับร้านต่างมาทำาพ คู่ชั่ววินาทีกะนเลนั้นทั้งคุดคุยกันไปทั้งคุยคุยไปท้ายคิดถึงเรื่องความลำบากความจำเป็นแล้วกอนรื่กออเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนี่โอ้ห้องหมุนไทออี่อยู่ในหัวใจ <Okay. S 1> คุยก็คุยกันไปแย่งแขงสายสอดคล้องกันจ ป, ประดับร้านท้ายมันุนเป็นต้นเป็นโคนเป็นฟื น, เ ป, นเป็นไฟนโยกหาความเย็งที่ไหน เราคิดให้เอียดทั่วถึงสิ่ง่านี้ไม่งั้นจิตใจไปคล้องไปแล้วจิตใจไปคล้องไปแล้วที่ไหนก็ก่อพื้นก่อไฟให้เจาะของรั้งรับไม่ได้ก็โูกถูกมันลากมันไถ่ไปถลอกก่กเปิดไปไม่มีเนื้อมีหนังจิตตัวจริงเลยตือนหาวายเตือนพูดเจือกเรื่องโลกโลกก็เป็นสิงที่จิตใจของท้าปิดตัวแล้วทำไมจะมามาเจอิญใหมให้เข้าใจในสิ่งเหลนี้ ลายหายสงสยมันเป็น่ังนั้นโลกนะดัง น, นั้ที่เรียว่าโลกงั้มีผู้ใดขอเสือรับความรวยสมบัติเงินทองมากน้อยแล้วได้มาสมบังก็มีไม่สมบังคน็มีทงผู้มีสมบัตทั้งผู้ไม่สมบัง สิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็คือความสุขใครได้ความสุขมากอุกันบ้างไม่มีมันด่าเรื่ความทุกข์เหมือนกันหมดคนมีคนจนคนโอ้ค น, จ น, ค น, คนจนหานะคน ม, นมีความสุขไม่มีเพราะจิตใจมันวุ่นวายมันเดือดร้อนจุดแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจในะขณะเดียวกันเมื่อมีความสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นผู้แทนสฉดอยู่นะ ทับหรหนูาใจใจรับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์สุขทุกข์กเป็นภายในจิตใจเป็ น, นสิ่งสําคัญมากไม่แสดงให้ใครเห็นง่างยง่างยาจะเผาขุนหนูมันก็ไม่รู้หน้าสีหาสหาสหาดหน้าเจียวหน้าดําหน้าเขียวไปเวลามันมีเป็นามากๆดีไม่ดีเป็นโรคเสือจกรโรคประสาทเขาว่าบ้ายําย่อมบ้าอ่อนต อ, อนตอนั้นบ้าใหญ่เลย ขอสอ น, นนะครับจะพาการพิจารณาให้ถนัดชัดเจนจะมีแต่จะไปถ้าเจอจิตมันติดมันคล้อง อ, อ, อะไรเห็นสําคัญว่าอะไรดีเอามาคลี่คลาดูให้เห็นชัดเจนจิต ใ, ใจจะได้หายสงสัยยาฝืนความจริงให้พิจารณาตามความจริงสิ่งธรรมชาติที่ฝืนความจริงคือกิเลสกิเลสย่อมไม่เป็นค่าศึกต่อความจริงคือธรรมเสมอไป นรามาปฏิบัติธรรมเราต้องฝืงนกิเลสเพื่อดำเนินตามทางะนั้นะไปไม่รอดพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีความเข้มแข็งสติกับปัญญาเป็นเจ้าของของใจเป็นผู้บงังคับบัญชารักษาจิตใจให้อยู่คงเส้นคงวาคงที่ดีงามในอัดในรังไม่มีอันใดเหนือสติปัญญาไปได้ สติปัญญาเกิดกับใจแต่เป็นเครื่องรักษาใจได้ดีมากจนถึงขั้นบริสุทธิ์ได้กของสติปัญญาโดยอาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เป็นหลักสําคัญต่อหนักผู้ปฏิบัติตัวเพื่อความจเจริญรุ่งเรือขออย่าให้เป็นจิตใจเราแลแบบหลักปากที่ฝายคอยแต่จะล้มเอน็นหุ่มเอน็เอนทันั้นเองนี่ไม่มีลมมาแตะมาต้อง ก็เอ น, น, นุ่นเอ็นี่อยู่พอลมโชยมานิดหนึ่งล้มตูมล้มตูมลมลมก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายผ่านเข้ามาก็ผ่านเข้ามาที่ใจที่กําลังโยกถอนอยู่นั้นอนอกจากโยกถอนในการเสาะแสวงหาอารมณ์ต่างๆแล้วได้ผลเมื่อไรผลดังนั้นเข้ามาทับมันก็นล้มไปเลย สองชั้นสามชั้นโยกตอนน้ำลมยกตอนอน้ำลมทําใจจิตใจให้เข้มแข็งวันนี้ทําเข้มแข็งอย่างนี้ในขณะนี้ได้ทําความเข้มแข็งต่อจิตใจอย่างนี้ขณะต่อไปก็คือให้เป็นเหมือนขณะนี้นั่นคือผู้ิคมเส้นคงวาในการรักษาตัวเพราะตัวนั้นน่จะเลวได้อยู่ทุกขณะถ้าไม่รักษาและจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงได้ทุกขณะที่เรารักษา นอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติของเราคอยให้กิเลสเกี่ยวย่ำทำลาหากกิเลสเป็นคุณเป็นประโยชน์อีกเราใช้ควรได้รับความสุขความเจริญจากมันด้วยแล้วโลกนี้เต็มไปด้กิเลสนั้นโลกจะไม่มีการบุนไม่ีความทุกข์ความยากลบากเลยหน้าไหนก็จะยืมแย่งแย่งใส่ไปเรื่อยความสุขความเจริญเพราะมีทุกมีกิเลสติดทุกขึ้นมา เพาะมีเลสแต่นีกิเลสมันผิดทุกธรรมะถึงผิดสุขขึ้นมาธรรมะฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยความเพียรนี้ท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายเหตุผิดธรรมะให้เป็นฝ่ายผลขึ้นมาคือความสงบสุขเย็นใจเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระผู้กิตถาพคตรผู้จอมปราบฉละดเนื้อโลกควร น, นำสติปัญญามาท้ายให้ครอบรอก พอคิดภายใจิตใจของตนใจเป็นตัวสาคัญเหมือนผู้ต้องหานะ่ะเหมือนลิงตัวนะ่ะเถอไม่ได้มีร า, รามารักษาใจใจเป็นสิ่งประเสริฐเลินโลกกว่าสิ่งใดใดในโลกทั้งสานจึงควรรักษาให้ดีขึ้นโ ด, ย, ดยลาดับลำนับที่มันไม่ดีนี่ก็เพราะว่าสิ่งไม่ดีเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งไม่ดีเข้าไปพัวพันสิ่งไม่ดีเข้าไปเป็นเจ้าของ เข้าไปยึดเข้าไปครอบงำจิตแม้จะเป็นของดีโดยหลักธรรมชาติของตอนมันก็ดีออกมาไม่ได้เพราะสิ่งที่ชั่วครอบงมปิดบังไว้หมดจิตยาอาการแสดงออกมีแต่เรื่องของพิเดชออกหน้าออกตาธรรมะหรือความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความดีของจิตในหลักธรรมชาติแสดงออกมาไม่ได้เพราะถูกสิ่ง น, นี้ปิดบงังการชำระจิตใจจึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรักผู้ปฏิบัติ วิปลาภ์าอย่าลืมศาสนาซึ่งเคยแสดงให้ฟ <sin S 1> <sc mira> ังหลายครั้งหลายหนจนทั้งซ้ำซากก็ฟูดแต่ความจริงจะซ้ำขนาดไหนเพราะพิเรศอยู่ในหัวใจของเรามันซ้ำซากแค่ไหนกี่ครั้งกี่ครั้มาแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ามันซ้ำซากเวลาจะนำอุบายมาแก้จะเห็นว่าซ้ำซากนี่ก็คือกิเรศงละให้นํามาปฏิบัติอย่าลืม การดำเนินของศาสดาขาให้เกิดความท้อแท้ึ้นมาให้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นทงใจเครื่องถุดลากตนจะได้ตะเกียบตะกาไปทานพระพิพัทาของท่านแม้ไม่ได้อย่างท่านทุกข์บเบียดก็นันได้เ บ, บียดจิตมีครูจะไม่ล้มจมโดยถายเยอะโดยไม่มองดูครูเลยสองคงสัน้นนั้นชามิเหมือนกัน ท่านเป็นผู้มีกิเลสเต็มหมดใจเหมือนกันกับเราล้เราเราล้ทานนี้แหละใครเป็นผู้วิเศษวิโสวิโสออกมาแต่กําเนิดเกิดในกุศลพระารรมหากษัตริย์โดยใครเดียวนั้นเป็นเรื่องสมความสมมุติหนึ่งกิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจเต็มอนีด้วยกันการสํากกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอยู่ในหัวใจใดต้องพยายามสะเก็ดตะกายเต็มทาศน์กำลังความสามารถเท่าที่กิเลสแต่ละประเภทประเภทจะดุกลอยไป ความเข้มแข็งความรุ้ษา ح, พยายามต้องเหนือกิเลสประเภทนั้นนั่นเสมอะสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขต้องเหนือนั้นเสมอเหนือกิเลสเสมอกิเลสแต่ละประเภทจันจะดลุดลอยไปเพราะเครื่องแก้เหนือมันเครื่องปราบกลางเหนือมันไปโดยลําดัดบตั้งแต่ขั้นยากกิเลสอย่างยากยากิเลสอย่างกลางกิเยสอยา่อยางละเอยีอ ย, อยมัตติม า, า, าปฏิปัทาการบุคคลปฏิบัติกําจัดกิเลสด้วยเครื่องมือ สติปัญญาก็ต้องให้ทันกันไปโดยลำดับลาดับเราอยังไปคิดท้อถอยการปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชมาถึงวันนี้เป็นขานี้แล้วเราจะปฏิบัติต่อไปข้างหน้านี้จะเป็นไงนี่คือยึดเรื่องอดีตอนะคาคตมาเพื่อทับโถมปิดทางตัวเองให้เดินไม่กล้าไม่ออกนะเวลาเราบวชเราพอใจที่บวชเราถึงไม่บวชบวชแล้วเราพอใจปฏิบัติกํำจัดที่หลีกเรื่ความเปลี่ยนของเราเราพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ครั้งแรก มาแบบ น, นี้เราจะเือมทรามเราจะอ่อนแอไปไหนทางนี้เป็นทางเพื่อความหลุดพ้นทางนี้เป็นทางเพื่อให้ความสุขความเจริญใจเราอยู่โดยแท้ทางทพิเรศเราได้เคยเดินตามมันมาแล้วมีแต่มืดอยดำกำตาความทุกข์ความลำบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจหาความสุขความเจริญไม่ได้หลวงพ่ อ, อรพระเจ้าแสดงโทษของมันมีกี่ประเภทเนี่ย เราประชามแล้วมันมีโทษทุกประเภทบรรดาเริ้งไม่ใช่ไม่ใช่คุณเลยคุณตั้งแต่ทำเท่านั้นทำํำปรากฏขึ้นมากเพาเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงผิดขึ้นมาได้เต็มมากเต็มหมา ย, นมาน ห, มายหน้าที่การงานอะไรไม่มีเลยบินปบาดตอนเช้าก็เต็มบาทมาเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุบนบํารุงรักษาด้วยตัวปัจจัยทยาทาน ต, ต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแม่อดตาย ฐานะเขาดับหมดกีวอนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เต็มอย่างเห็นกันที่นี่แล้ว่างมานเสเจกดทานไปวัดนั้นวัดนี่อยู่ตลอดมามินทบาตรก็เต็มบาทนอกจากเต็มบาทแล้วยังตามมาส่งมาเสียอีกว้นบาทหรือว่าไม่ชนะจะ ก, กินเนี่ยใช้ห น, านา้าชนะี่อยู่เทียร์ใส่ก็เห็นอยู่แล้วนี่พอเป็นพอตายได้ห้ามมาไว้ ใเขาสร้างมากเกินความจำเป็นเราเป็นผู้รักษาขอบเขตเหล่านี้ตลอดถึงพาะเนรี่เป็นความเหมาะสมขนาดไหนเราได้คิดเต็มทัิกํกลังความสามารถของเราแล้วเรารับตามความเหมาะสมที่เห็นว่าเหมาะแล้วพระขนาดนี้อยู่ด้วยกันเป็นพระศุกมากกว่านั้นจะเลิะเทอะเฟ่อไปหมดไม่ดีนี่คิดแล้ว ความเมตตาทั้งสารเมตตาทั้งสารโดยทั่วกันการรับไว้เพื่ออบรมสั่งส อ, งอนในช่วงการช่วงเวลานั้นเรารับเสมอเรา ส, ส, าสั่งสอนเสมอเมตตาเสมอแต่การที่จะให้ดีด้วยกันตามปัจจัยใของผู้มาตามความต้องการผู้มาเสียทุลุ่มทุน้ำนั้นมันเกินวิสัยของผู้รับไว้ที่จะอบรมให้เป็นตัวย่าใจหลังอืมันอาจจะพลิกไปตรงกันข้ามไปเรเ่อยไปหมด เลยดูไม่ได้ก็ได้นี่เรารักษ า, าอย่างนี้แหละการปกครองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งสําคัญมากแม้แต่ภายในครัวเราก็ยังต้องเลยมเมื่อกดขันบางทั้งที่เราอยู่นี่บางครังบังค่าวก็ยังเด็กจะมือกดขันได้ตุกบนนี้นะออืมพวกมาอยู่สร้างให้อยู่กุฏิหนึ่งพลิกไปอยู่กุฏิหนึ่งนี่เราไล่กลับพื้นเลยหิญยามาหิงมาห่วงไว้ปุฏินั่นกุฏินี้นะออยู่หลังนั้นก็อยู่หลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับพืนไปเดี๋ยวนี้ ไม่ตองมีคนอยู่ดูไม่อยู่ก็ตามการปกครองเป็นของสําคัญเราเป็นคนสั่งเองก็แท้เราเปลี่ยนแปลงได้หรือเราไม่สั่งให้เปลี่ยนด้วยเหตุผลปนกันอะไรเลยนี่เราก็ทําเพราะการปกครองเป็นของสําคัญเป็นกฎเป็นระเบียบอันตายตัวที่เห็นว่าถูกต้องในงามแล้วต้องให้เป็นกฎเป็นระเบียบอันตายตัวอยู่เช่นนะั้นถ้าทำไปต่อไปต่อไปมันก็เลืเล่อยๆจเอเคยแบบ น, นี้ใส่อย่างผู้หญิงด้วยแล้วมีความคับแคบมาก มองกันก็มักจะมองในแง่ร้ายความขับแย้มากมัต้องลำบากในการปกครงองเรื่องอย่างนี้เราจรีงไม่รับมากเลยเราไว้เพื่อคนเป็นเท่านั้นเฝือหนกักพระเรามีความหนักแน่นคือผู้ชายผิดกันอยู่มากกว่าผู้หญิงแต่เราไม่ทํานีผู้หญิงว่าเป็นคนไม่หนักแน่นโดยถ่ายเดียวส่วนหนักแน่นก็มีส่วนดีก็มากแต่โดยมากมักเป็นอย่างนั้นมีฝา ผู้ชายก็เหมือนกันส่วนมีความหนักแน่นดีตามนิสัยของผู้ชายมีหมู่มากแต่ที่เร็วกับผู้หญิงก็มีไม่น้อยเรายกขึ้นเปนเพียงส่วนมากเป็นอย่างนั้นอย่าลืมดูใจของตัวเองนี่ใจในี่สาคัญมากทีเดียวมันคิดมันปรุงอยู่ทั้งวันทั้งคืน ลอกเราอยู่ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เคยว่างนะหัวใจขอให้ดูเถอะผู้ประกอบความเทียนจะได้เห็นในหัวใจตัวเองว่าไม่มีว่างงานเลยเนี่มันหนักคิดอย่างนั้นยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มยก่ิ้มยุ่มยิ้มยิมยิ้มยิ้่ยิ้มติ้มยิ้มยิมยิ้มยิมยิ้มยิ้มยิ้ายิ้มาิ้มยิ้มยิ้มยิามยิ้มย่างยิ้มะิ้มยิ้มงิามยิ้ะเจ้มยิ้มเิ้าติอนยอ้มยิ้้มยิมยิ้ายิ้ ไม่มานีมีความทุกข์ความลำบากราหน้าต่างนก็ไม่ลงมันลงอะไรมีถึงกับไปนอกจากเคหขอบปิดจักรวาลนั่นตะวันความทุกข์คืฟืนคือไฟไพลราค า, ทาโทสามหะมาเผาตัวเองอเดือดร้อนมุนว่วายเราจะหาความเริ่มเย็นมาจากไหนสติเป็นของสำคัญอย่าเสียดายในสิ่งใดรูปทุกประเภทของรูปในโลกอันนี้มีมาตั้งเดิมแต่เราไม่เกิด มันก็มีอย่างนี้เสียงปิดนวดเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างต่างเฮ้ยมีบ้ามาดั้งเดิอมอยู่แล้วอันนี้เขาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าเราไม่ไปกว้านเรามาเป็นภัยต่อเราเหมือนกับไฟไฟให้เป็นไฟเราจะไปจับเอาไฟมาเผาตัวเองมาพี้ตัวเอ้ให้มันร้อนตัวเปล่าเราไม่เสียดายกับสิ่งอย่างนั้นเราจะสังเกตดูทั้งแต่จิตที่ไปเกาะไปเกี่ยวข้องพุูนว่ากับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ มาเผาตัวเองให้ั้สมุนให้ดูตรงนี้ให้ดีผู้ทําความเพียรต้องดูจิตที่ทํางานมันทํางานด้วยมรรคหรือทํางานด้วยสมุทรไทยดูให้ดีธรรมดาแล้วร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของสมุทรไทยโรงงาน่ะสมุทรไทยก็คือจิตนั่นเองเป็นโรงงานอยู่ที่นะัถ้ามีสติมีความภาคเพียรคอยสังเกตการอยู่เสมอเราจะได้เห็นเรื่องของมันที่มันแสดงออกแสดงออก ในตลาดเวลาแล้วเอางานธรรมะเข้าไปแทนที่อย่าให้งานทางขงมูไทยมันได้มีโอกาสแทรกออกมาทํางานทัน้งหมดเราเอางานของทา ง, ทางด้านธรรมะเรื่องตาราบตราเครื่องระงับดับมันเข้าแทนที่ด้วยการบริกรรพนันด้วยการพิจารณาอัตธรรมในข้อใดเนี่ยอะไรก็ตามซึ่งเป็นตามตัวถอนเรียกว่าทำหรือเรียกว่าการนำเหนืนอยอย่าให้ว่า ถ้ากิดไม่ว่างให้ไม่ว่างเนี่เกี่ยวกับเรื่องทำอย่า้ไม่ว่างเลยเรื่องของสมุทยัยคือกี่เด็กนันจะผิดแต่ทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองไม่ว่าเพศใดวัยใดเหมือนกันหมดหัวใจนี่ไม่มีเพศมม ไ, ไม่มีวัยมีการสถานที่ ม, มีอดีตอนาคตมันเป็นต้องมาดูเช่นนั้นพยายามรักษาดูหัวใจนั่นแหละนั่นโรงงานนั้นสำคัญเอาถ้าภาวนา มุ่งว่าผู้ใช้คําบริกรรมอยู่มันคิดได้ปรุงได้เผลอไปได้ให้ใช้คําบริกรรมนั้นถีเข้าไปทุ่มกําลังลงไปทุ่มความจดจ่อลงไปความสนใจลงไปอยาเสียใดยกับสิ่งใดที่มันจะคิดจะตรุงออกไปเกี่ยวข้องดูความอยากกรุมของจิตมัน่ะเป็นการหนุนหนุหนขึ้นมาที่จะตุงมันเป็นลักษณะหนุนหนุหนขึ้นมาถ้ามีสติรู้ นันหนุหนขึ้นมาเป็นลักษณะผิดปกติขึ้นมาหนุหนๆจะออกมันงอกนะไม่ใช่หนุนจะเข้านะแต่สติมีมันมันโผล่ออกมาพอหนุหัวมันทั้งนิดนึงมันก็หลบเข้าไปหลบเข้าไปเหมือนแยง้งถ้าสติมีพบับไยสติพับมันออกพุ่งเลยแล่วยิ่งกว่ามันลิงร้อยตัวดูให้ดีเป็นอย่างนัง้นอย่างนีง้จิตที่ได้ดูมาแล้วไม่ได้มาพูดแบบเป่าๆพูดมาด้วยการพิจารณาแล้วดูแล้วเห็นปนัมายาของมันทุกแยกทุกมุมมัน สติองค์ของมรรคผลออตั้งให้ดีพิดน่ะให้ดใหีใจมีหลักหนักแน่นตักลงอยู่ที่นี่นะความเปลี่ยนอยู่ที่นี่อย่าไปสนใจเรื่องมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นที่ใดนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสีซึ่งเป็นสถานที่อยู่ทั้งเกลียดกองทุกและธรรมตั้งแต่ต้นจ น, นถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดอยู่ในห่วงนี้แหละไม่ได้อยู่ในห่วงไหนห่วงแห่งใจออให้ดี ทุกร่างกายนี่ก็ทราบแล้วเป็นผลเป็นนิบาดนึ่งของกิเลสที่มันสร้างตัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมานีก่การที่จะเกิดทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็มีสาเหตุอของมันเหมือนกันเช่นเราเจ็บท้องก็อาหารเป็นสาเหตุบ้างหรือเช่นช่นท้องเตึงบ้างหรือ ม, ม, มีชนิดเลือกอะไรมันไปรเกี่ยวกับท้องเสียส่วนมากก็เป็นอาหารเนี่ยปวดที่ะก็ต้องมีอะไรเป็นสาเหตุให้มัน มันมีเหตุทุกอย่างมันเป็นแสดงผลขึ้นมาแต่เหตุเหล่านี้ไม่ไม่จตะว่าเป็นกิเลสส่วนทุกข์ของใจนี้ต้องมาจากสาเหตุคือสมุทัยร่วนๆไม่สงสัยส่วนทุกข์ในร่างกายเป็นอีกประเภทหนึ่งมันเกิดขึ้นมาได้ตามเรื่องของมันเราจะเรียกว่าเป็นเหตุของมันหรือว่าสมุทัยของของของขอ ง, ของร่างกายก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสนะสมุทยร้วงแดนผิด รับทานอาหารงลงไปอาหารประเภทใดมันแระงต่อร่างกายนั่นมันก็เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุจะให้เกิดความไม่สบายแล้วเรียกว่าสมุนไพรของมันก็ได้แต่ไม่ใช่สมุนไพรแบบนี้เลยย่วเป็นสาเหตุนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่ามีอะไรเป็นสาเหตุเหมือนกันใจที่เกิดความทุกข์ร้อนขุ่นมัวหาความสมบงบเงยน็นมาได้นั้นก็มีสาเหตุ ที่ทำให้ฟุ้งซ่านแต่ตระนั้นจิต่อดจิเป็นไปตรงนั้นเอามันคิดไปเรื่องอะไรจะตามด้วยปรรดาก็ได้อ้าสมมุติว่าเราบังคับหรือเราสังเกตดูจิตนี้มันไม่ทันมันเอาเอกคอยดูมันไปคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องรูปเอาเอามาคลี่คลายดูให้หมดรูปผู้ใดรูปหญิงได้รูปชายใดหรือรูปเรื่องอะรูปของสิ่งใดมาคลี่คลายดูมันเห็นถ้ามันเห็นต่อหน้าต่อตามยยีางานอย่างชัดเนจนทำๆจัดจ้าน ไอ้หลบหน้าหลบหลบังตลกทบไปทบมาด้วยสติปัญญาพอมันเข้าใจแล้วมันก็ถอยมาตามมันยืนอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความเขียนทางนั้นปัญญาที่จะตีต้อนฉิดซึ่มันปาดผลให้เข้ามาสู่ความสงบได้ด้วยปัญญาคือการชี้ให้ผลเนีมันทราบอย่างชาาัดเจนแล้วมันก็ไม่เิดนพลดผลกระโดดโลดเต้นไปไหนมันก็เข้ามานี่อย่างอีกอย่างหนึ่น ง, นงก็ดูมันอยู่นั้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่มุ่งอะไรทางนั้น เราตังแต่จะดูแต่ใจหรือเราจะดูเะมีตั้งแต่คําบริกรรมหรือเราจะดูตั้งแต่ลมลมเข้ารู้ลมออกรู้เข้าลู้ออกออ ก, ออ ก, ก็ตามทราบตั้งแต่เพียงลมที่สัมผัสแ ย, ยบแ ย, ยบก็เอาไม่ต้องไปกําหนดว่ามันเข้ามันออกอือันนั้นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งให้ทราบขณะที่มันผ่านผ่านเข้าไปไปสัมผัสทราบตรงที่สัมผัสสัมผัสออกหรือเข้าไม่ไม่สัมผัสยิ่งกว่าการทราบลมขณะที่สัมผัสให้ทราบอยู่ทุกระยะระยะนล้วมันจะ จิจจะถือจุดนั้นเป็นสำคัญแล้วสมบตัวเข้ามาสง บ, บตัวเข้ามาแล้วสหบเย็นจะได้ผู้ถูกเจริญอย่างนี้ก็กมีเอาให้ดีหูปฏิบัติทำผู้ที่มาศึกษาอบรมก็ให้ได้รับเด้กเยก็นไปหรือมาทำเล่นๆ น, นั่นเรารับไว้อบรมก็รับมก็ให้การอบรมเต็มที่กํากำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมําทุกขั้น ไม่เคยมีปีดบางนี้รับแสดงให้ฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่า ง, งมาศึกษ า, าให้ได้เหตุได้ผลได้ความสัดความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่ไปปฏิบัติให้เป็นต้นทุนเป็นเนื้อนาบุญของตนบุญยักเกตตังโลกะสัตถ์ถ้างเป็นเนื้อนาบุญของโลกทําตัวของตัวให้เป็นเนื้อนาบุญของตัวเสียก่อนเต็มที่แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยไม่ต้องสงสัยหากว่าเนื้อนามันแห้ง มีตั้งแต่ขี่ขหมูราขี่มาแห้งเขาจะเอาอะไรไปแจกโลกเอาตั้งแต่ขี่หมูขี่ม้าไปที่ไหนเขาก็เบื่อเขาไม่อยากพบเห็นทั้งทั้งที่ปุญญาเกตตังโลกาศพระสงฆ์เป็นเนื้อหนามุ่งของโลกในหลักธรรมท้าทน่างไว้อย่างนั้นแต่โลกมองเห็นแล้วเหมือนจะเป็ดกับผีทิอพระที่ไม่ใช่ปุญญาเกตพระเนื้อหน้าแห้งกลายเป็นพระเป็ดพระผีทั้งหมดไปที่ไหนก็ควรบ้านควรเมือง เขาไม่อยากพบอยาเห็นที่ไปกัดตับกับปอดกินตับกินปอดเขาค้างแล้เท่านั้นค้างแล้วเท่านี้เห็นหน้าไม่สุดให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี่มันน่าเบื่อลาําพานพระเลยเถึงพระควรบ้านควรเมืองมาแต่พระทําทความโน้มแก่ตนมาให้ความรุ่งเรืงแก่โลกได้พอเขายิบจะมีความยินดีก็ยิ้มยิ้งย่องพอมากาศว่าสราระบญชาทำบุญ้นทางกับตนหรตรงเงินข้ามไภาษี ม, มีอะไรที่จะถุกฝนอบรมได้ยากยิ่งกว่าใจแต่ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่รับการลวมมาโดยลแบดบับจนกระทั่งถึงทำละให้ได้เต็มภูมิแล้วผลใดก็ตามไม่เหมือนมีเป็นอัศจรรย์คุ้มคับยึดไว้เป็นหลักรจ ย, ยาลือยาให้ปล่อยให้ใจลอยเหละท่านนี้ใส่แล้วแหละนั้นไม่ดี มัน ก, กวนนะใจเดี๋ยวมันชิดมันนั่นนะอเดี๋ยวมันอยากไปที่นั่นจะดีะไปทีนี่เห็นจะดีมั้งมันกวนแล้วไปแล้วมาได้เรื่องมันหลอกไปอีกลอกพี่นี่คือถูกหลอกถูกต้องอยู่ตรงไหนว่าไปตรงไหนแล้วให้จริงจังมันจะหลอกมันอะไรอีกที่นี่สงบแล้วต้อสงบแล้วจะเอาอยู่ที่ตรงนี้ฟ้าดตรนู้นนั่นหลอไปอยู่หนะ้าป่าในะเขาเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมเนะี่ยเอาลงไปเลยอย่าให้มันหลอกไปโน้นไปนี่นเลือย นี่นะเป็นไปได้หรอพี่เลนนี่หูยังผมมา ก, กันแทรกความกระสิบกระสับเจ้าของเคยเป็นลูกติ่งก้นกุติมันอยู่แล้วก็หมอกรากหมอกรากไปเลยเอยยอมดยโดยครับครับเพื่ออะไรถ้าบรรยาอธิบายหมันก็มาตั้งใจมองลงจริงจริงยาให้เราเห็น ข้างหูข้างตาเด่นด้านด้านเราดูไม่ได้จริงๆนะเราอกจะแตกขนาดเพียงเท่านี้เราก็อกจะแตกแล้ว แ, แลต่ละมากกว่านี้ได้อย่างไรคนหลายนิสัยข้าหลายนิสัยข้ามาจากคนนิสัยไม่เหมือนกันผู้อยู่ก่อนผู้อยู่ใหม่นะักผู้อยู่ก่อนผู้อยู่เก่านะัะ ผู้อยู่ใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาอะร้รกันทำประจำระํำภาษีภาษาไม่คิดถึงหน้าที่การงานที่จะหนักปกหนักใจหมุกเพื่อนอย่างนี้หนิดมันลำบากไปลว่ารายไหนเข้ามามันจะต้องเก่งกลาเก่งกลางเห็นแต่ก่อนนะี่ยก่อนจะเข้าขอรูปคอลอยได้เกือบตายเหมือนกันมีหนึ่งลายก็ตามมันจะเห็นมองดูขวางกันทีเหมือนกันบไม่ได้บวรมมาแล้วทั้งที่มาจากสานักนั้นสานักนี้เลิ่มมาเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงเป็นไง เก้งกา้านเก้งกา้านอาืดอาดเหนื่อยนายดูไม่ได้อย่าให้เราเห็นนะไม่ได้ไนหะเราไม่ได้เหมือนใครทั้งหมดมีธรรมเท่านั้นเหนือโลกมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะทําโลกให้ร่มเย็ยนเราพยายามรักษาธรรมคือความร่มเย็ยนของโลกนี้ไว้เต็มสติกําลังความสามารถผู้หนึ่งผู้ใดจะก็าตามจะมาทำลายธรรมซึ่งเป็นดักแายนี้ไม่ได้ถ้าอยู่ในเขตขอบเขต ข, ของวัดที่เราปกครองอยู่แล้วไล่หนีทันที ไม่มีคําว่าฐานะสูงขนาดไหนความรู้วิชาสูงขนาดไหนสําคัญที่ผิดจากหลักทำหลักเป็นไหนซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบเพื่อเอย็นมีมีสำคัญที่ตรงนี้ถ้าผิดตรงนี้แล้วไม่มีละหน้าใดก็ตามไม่เหนือธรรมเราจัดการทันทีถ้าเราจะเห็นจะหน้ารูปรูปหน้าป่ากจมูกเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่เห็นอะไรเหนือธรรมได้ปฏิบัติมาเป็นมิติกํำนังความสมารถของไม่ได้ ลงใจสนิทใจกราบว่าอย่างแบบถวายชีวิตเลยเหมือนทําเลยเราลงใจขนาดนั้นยังพยายามรักษาไว้ยืมอๆๆนะุทิศดูฮาก็เป็นกันเองเนาะเขามาเล่ามาไว่า เ, เ, เองโอ๊ยไปที่ไหนไดยิ น, ยนแต่เรื่องของหลวงพ่อเราดีเรื่องอะไรว่าที่คนอื่นเขาไม่มีเรื่องแล้วมันมีแต่เรื่องหลงพ่อยังไ่ก เขาเคยยินเรื่องโด้เนี่ยั่นลอกไปที่ไหนเขาอกวุยไม่ได้นะจะเขาบวาไม่ได้นะจะเาบวาทั่วประเทศไทยเขาวะนี่เขาพูดมันจะน้อยปากมากหลายปากด้วยวเขาพูดกันรูกันทั่วทิศทั่วแดนแต่เราไม่เคยสนใจน่ะสั่งด้วยถ้าวันเราจะสนใจสิ่งนี้เราจะทําดําเนินตามลหลักทําหลักวินัยไม่ได้ เราจะดูดาว่ากล่าวผู้ผิดไม่ได้รูปหน้าจะป่าจะมูกจากไปจะหมูกแล้วเลอะไปหมดมีแต่จมูกเลอะไปเต็มไปหมดในวัดนี้ขวางจมูกรูปกป็ไปขวางจมูกมันเสียก็หยุดเสียรูปไปขวางจมูกเสียมีตั้งแต่จมูกเต็มวัดเต็มว่าหาที่ก้าวเดินไม่ได้เต็มไปด้วยจมูกที่มันขวางทาไม่กล้าว่าเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราไม่เป็น เดินตามหลักทำหลักที่ไหนนี่เลยเพราะนี่เป็นหลักใหญ่มีคนเข้ามาว่างั้นเราก็เฉยนึงประการหนึ่งก็เฮ้ยมันไม่ของดีก็เอาของดุไปสักตอนเถอะงั้นของดีค่อยมาเอามีประการหนึ่งประการที่สองรู้ไหมเราจะพูดให้เห็นอย่างชัดเจนนะอ่ะยกตัวอย่างนั้นทันทีคนกําลังหิวน้ํามาแทบล้มแทบตายไม่ว่าใครมีจํานวนมากมีจํานวน น, อน้อยหาดื่มน้ำใช้ต่อยอาบที่ตรงไหนไม่มี ไปดูบ่ก็เต็มไปด้วยขี้ต้มขี้โครนไปดูหนองดูบึงตรงไหนก็เต็มไปด้วยขี้ต้มขี้โครนไปดูทํานบใหญ่ๆที่เขาขังไว้น้ำเป็นตลอดปีเลือกกี่ศอกกี่เมตรก็เต็มไปด้วยขี้ต้มขี้โครนขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควาขี้คนไม่สามารถที่จะอาบดื่มใช้สอยได้เลยแล้วดีใจไหมพวกขี้กาลังหิวน้ําจะตายไปเที่ยวดื่มน้ําที่ต่างๆเมืตั้งแต่ขี้เต็ม ถ้าคุกเข้ากันเต็มน้ำไปหมดนั่นดีใจใหม่หน้ามียิ้มแย้มแจ่มใสใหม่เอาต่อนะยกไปครอบเย็บเกี่ยวขึ้นมาโหเกษียใจแล้วนี่แหละทีนี้ไปวัดไหนก็ตามมองดูภาพดูเน้นอันใดก็ตามมีแต่ขี้เต็มตัวไปวัดไม่ว่าวัดไหนไม่ว่าวัดนอกไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านวัดกรรมฐานวัดพระยวัดไหนก็ตามเต็มไปด้วยความ ขี้เกียี้คลานลรคลุงดังดูอะไรดูไม่ได้ดูพระก็มีตังแต่ขี้เต็มตัวหาอัธถลธรรมหาความสวยงามไม่ไม่มีเลยในองค์ของพระในสถานที่ที่อาศัยดูอะไรดูไม่ได้เลยเต็มไปด้วยขี้ทั้งหมดดูได้ไหมนี่ว่ามันจเจริญหูจเจริญตาไหมมีการรักษาน้ําไว้เพื่อ อ, อาบดื่มใช้สอยทั่วโลกทั่วดินแดน มีการต้องมีการดูด่าว่ากล่าวบ้างที่เป็นธรรมดาห่วงห้ามอยา่าก้าวเข้ามาอยา่ามาเหยียบอยา่ามาขี่ใส่น้ำนี่เป็นน้ำใช้น้ำจ่อยน้ําอาบดื่มเขาดื่มกันทั้งโลกอยาก่ามาเหยียบย่าทําลายอยา่ามาขี่รถเยี่ยวละ่ะใส่ของดีบอกคนอย่างนี้เป็นความผิดหรือผู้มาขี่ใส่ก็ผู้บอกใครผิดอ่าเขียบสิอันนี้เราพยายาม รักษาวัดสวารักษษาพระสนันเดนรักษาธรรมินัยให้เป็นน้ําที่สะอาดน้ำํำจีนน้ทําที่อดัดรักษาแบบถึงชาล้านจิตใจให้มีความโลภเย็นเป็นสุกทําไมจะผิดไปทําไมจะเป็นความดุคนที่มาเหยียบย่ำทาลายเป็นความดีแล้วหรือถ้ า, างั้นผู้ทําลายศาสนา ก, ก็เป็นคนดีเลยสิอ่ะอะตอบมาน่อยนี่แหละเวลาจะเอาเอาจริงเอาจังรักษาไว้สําหรับโลกข้างนั้นเี่ย ของดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบวกเข้ามันดีขนาดไหนดูที่อันนั้นก็เลวอันนี้ก็เลวอันนั้นก็เลวอันนี้ขี้หมูอันนี้ขี้หมาอันนี้ขี้วัวอันนี้ขี้ควายบวกกันเข้าแล้วใส่ในหลุมนั้นดูได้ไหมโยนในหมอในบ่อนั้นดูได้ไหม่าดลงในบึงทั้งหมดดูได้ไหมนั่นพิณาที่ของชั่วเป็นอย่างนั้นมีเท่าไหร่มันก็เพิ่มความชั่วความรามมากขึ้นไปโดยลําดับลำดับดูได้ไหมพิจารณาเหตุนาผลที่เราเป็นมนุษย์ทั้งคน ยิ่งเอาม้อจะดุตะดุถ้าว่าดูก็อย่ามานะเราว่างนีิเลยแล้วพูดงกงๆนี่ดีพอตัวแล้วอย่ามาแล้วไม่เคยสนใจกับผู้ใดจะมาหรือไม่มาเราว่าบางทีจ ะ, จะพูดเอาหนักๆเหมือนกันแล้วไม่ได้พูดด้วยความโกรธว่าไปเลยรว่ายะอะไรก็เป็นไรไปเ้าพูดตามหตุตาผลพูดแล้วหายเงียไปเลยมันไม่พูดนี่ะเราพูดตามเหตุผลดีวเฉยแล้วยยลมั น, ม, น ม, มีอารมณ์โกรธกับใคร อีกอย่างเข า, า, าว่าการทําบุกนั้นเราก็ไม่เคยดูด้วยความโกรธแต่เหตุผลหนักเบามากน้อยที่ควรลงขนาดไหนนั่นมีไม่สงสัยแล้วที่เขามาพูดถึงเรื่องอืมพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชนีคือในหลวงกับพระรนีไปพูดถึงเรื่องเราโอ้ท่านจามาบุญดุกมา ก, ก, กานะควรเลยไม่แต่ท่านเข้ามาในบ้านเราท่านมันมียิ้มแย้มเลยท่าน ม, นมียิ้มยิ้แ ย, มย้มเลย เราคนในราชสวังแล้วบอกว่าเราโอ้ยถ้งลงในหลวงกับพระราชนีประทับอยู่ในพระราชสว่งแล้วไม่ต้องกลัวหลวงตาบัวที่จะเข้าไปดุในหลวงพระองค์พระเด็จพระมรานาถีนาถในพระราชวังแล้วปเป็นไปไม่ได้อย่า ก, กลัวอะอยากก่าปลดลมก่อแรแองเราบอกบ่าง่ยเลยเขาจะไปกล่าวพูนเขาตามไม่กล่าบทูนเขาตามเราไม่เคยสนใจแต่ถ้ากล้าเข้ามาในวัดหรือพบกันในสถานที่ใดได้สนทนาธรรมะการกขัดแย้งกันกันกนกบหลักก็าอาจทำข้ออะไรนั่นแหละตรงนั้นแหละ แล้วตอบโต้ตกันหนักเบามากน้อยแม้มหาพรหมถ้ามหาพรหมก็ไม่หลอกทำอยู่ตรงไหนจะไปตรงนั้นเาว่าจริงๆนี่เราเคยได้เหตุได้ผลได้รับความสุขความสวามนาเพราะวิธีการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้เหตุได้ผลได้ อาจได้ทาด้วยความมีเกียรติโศด้วความสุขควา ม, ดวามวเดชมากเราะวิธีของพระพุทธเจ้าเรานํา ว, วิธีมือเจ้ามาสอนโลกมาปฏิบัติผิดที่ตรงไหนที่ไตัวเองก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นบังคับตัวเองนี่ว่างมันจะใครเป็น่างไม่ไปไม่ไปตามเลี้ยงดูเหตุดูผลอย่างนี้เรียกว่าบังคับตนอา้ามันจะเป็นขนาดไหนฝืนกันมนตายก็หาตายไม่ไป ทำอย่าให้ตายความแตความจริงอยาให้ตายการต่อสู้อย่าให้ตายความท้อถอย ไ, ไม่ให้มีสู้เป็นอย่างนั้นด้ยเหตุผลบังคับอย่างนี้นี่จะฝืนไม่ได้เหรือถ้าเราต้องการอัดตามธรรมก็ต้องการตามเหตุผลเหตุผลคือเราทำต้องเดินอย่างนี้เอาทุกข์ก็เดินแดดออกก็เดินฝนตกก็เดินครุขระก็เดินทางสะดวกก็เดินจนถึงจุดหมายปลายทางจึง ผมชื่อว่าผูดต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางทางสายนี้เป็นทางนี้เนี่ยไม่มีทางสายอื่นที่จะเลือกเดินได้นี่กูคะก็จาเป็นต้องไปถ้าดัวก็จะเป็นต้องไปมีน้ํามีถาน ม, มีตรงมีโคนก็ต้องไปจุดนั้นการปฏิบัติธรรมองมียากมีลําบากเป็นตอนเป็นรักเป็นตอนนี่เหมือนกันหรือเลือกเดินไม่ได้มันทางเดินไปตรงนี้ออืทุกบังทนเอา ทุกมากขนาดก็ทนเอามีที่จะพ้นาานะจนได้ถ้ามาหยุดไม่ถ อ, อยความพยายามเนี่ยเรียนอนุกรรมเจติตั้นก็บอกไว้แล้วคน้คนจากทุกได้เพราะความภาคเพี้ยนท้นก็าเพี้ยนไม่หยุ่มันก็ไปได้ปฏิบัติเหมือนกันเราจะไปเลือกนั่นเลือกมีแตนเป็นธรรมมุ่งมั่นยากแล้วอาฟาดต้งไา ขให้กินให้จังมาศึกษาก็ดูให้ดีแบบที่เราพารำเนินอย่างนี้เอาเป็นเรื่องของท่านสนมาญต์เมตตาให้ทางนั้นแหละผมไม่ลืมนะครับท่านสนมาญต์พูดอันใดเรื่องใดออกมามันราบเป็นไมันเหมือนกันกันกบเทปมันซึมซึมเข้าไปเพราะมันจ่อตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะพูดทีเล่นทีจริงพูดอะไรจิตไม่ได้เล่นด้วยเลยจ่ออยู่นั่น บูชาคำบามันเข้า ป, ก, ปกุบเหมือนเรเหมือนเทพเทศแล้วไปตองดูอันเทศแหมมันซึง้งฟังเทพท่านก็ซึง้งที่นี่เวาไปอยู่ออกจากระี่ประชุมไปแล้วไปฟังมันซึง้งเวลาคุยกับทานตอนไหนตอนเช้าเราแม้แต่เราอจะขึ้นหาท่านตอนไหนบางทีทังหันแล้วท่านก็นเลยคือการปกติท่านพอฉันเสร็จแล้วท่านก็นเดินไปช่ว พอจับต่วมนแล้วขึ้นกุฏิล้วก็ตามมันไปถ้าเราวันไหนเราจะไปหทา่านตอนบ่ายสามโมงท่าออกบ่ายสอง ม, มงนออกเจะขึ้นตานนั่นก็ได้บางทีก็ตอนขึ้นตอนปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำอาชาสแล้วก็ขึ้นไปแลังนั่นทงท่านลงเดินยังกรมทำไม่ละเนเดินยังกรมหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงอาจารมันตลอดมาจนกรทาง่งึงเดินไม่ได้ท่านต้งงองหยุดนี่เป็นความเปลียนประจำอธิยาสายของทาง่าน ท่านฆ่ากระเพาะออกจากรงจากที่แล้วท่านเดินอยู่กรมท่านท่านไตะขาปุ๊บทางนั้นปุ๊บทางนี้ท่านขยีย้เส้นยืดเช่นของท่านดูเราก็รู้ท่านเดินแล้วท่านเตะทา น, านันปุ๊บเตะนี้ปุ๊บพขาได้เวลาขึน้นเวลาพูดอะไรแล้วฟังนเพราท่านฉลาดพูดบางทา่ทานทานา่านแล้วค่อยพูดตรงไปตรงมายกตัวอย่างที่ผมเคยพูด้ ผมเพื่อฟังวันไหนวันอ้หวานอะไรใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่ซัดโก๊ะเก๊โกเก๊มันจาเป็นต้องพูกกับตองเด็กูดเราปกครองอย่งนี้เราไปที่นั่นที่นี่เป็นทั้งที่เรา้ารากอาริาะท่านอาริยะท่านแล้วเราไปไปพอเก้าวันสวนถมแลไม่เห็นหนามเฮยหายังไงวะปกติท่านไม่ค่อยถามมากใคร เป็นในแสงต่างๆนั้นแต่ถัาเรารู้สึกท่านจะไม่ตายเนพิเศษท่าน<ม>หาไม่เห็นมากนะแต่นี้หาทุาจาิตก็ปล่อยยู่ไหว่ว่านะ่งตังค์ดิหาทุาจริตก็ควายยิ่งหวี่ยงวทีเราก็ลาท่นเอาดอนทนเออนไม่มีความมุ่งหมายอะยไรน ะ, ะทําไมท่านทราบมาหาอาหารอะไร่ อ, อาหารยาวท่านเคยตรวอะไรท่านตรกับทากับขันของท่าน อ, อะไรเราจับได้หมด เวลามานี่ดอกมากว้านออกต่างญาติๆก็หาจัดให้ให้ได้เต็มไตของเราแล้วเราก็ไปถ้าเรานานไปบ้างห้ยนี่ำหาตรงนี้ไปอะไรนะนานมากไปสนุกสดชื่นสดขวายที่ไหนล่ะข้อตลาดแลก็ดุกมุกรุว่แขวแขวคออยเ่เยอะเนี่ยนี่มาเพิ่มดูกมุว้ยแล้ว เคยน้ําแกหรอือทำแล้วความจริงท่านเห็นเราเมื่อไหร่เราเคยทําเราทํามืไหร่ท่ไปซดนั่นตรงนี้ท่านอาจารย์มันเหน็ไม่เคยมีท่านทํามาท่านึพูดอย่างนี้ถ้าไม่ตนะีนภาพวกมันเก่งๆมันมีนะพวกพิบยุใหม่มันก็ได้เรื่องเราผู้อยู่เก่าก็าตามนันไม่ทําแล้่ควรว่าถึงนจุนหน้าอุบาท่านมีหลา ย, ยแง่หลายประทงพี่จะให้มคิดมันไม่ยอมคิดนะ ผู้ม่อยอมคิดดูกับท่านมันก็ไม่คิดเออไม่ทราบเป็นไงหัวใจเราท่านว่าง น, นี่เลยนะที่ชดช้อนอะไรเนี่ยมันขวาง ท, ง ท, ง ท, ทง่านทีทันวันไม่ขวางชดุชดช้อนในบาดตับชั้นบาดชั้นในบาด้วย ช, ช้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นมันช้ำเป็นท่านว่างนี่นะมันข ว, ขวางขึ้นมาทัน ท, ทีเลยนี่ก็คือสอนพวกเรานั่นเองจะว่าไง ปกติท่าก็ไม่ทำจริงแต่บาท่านท่านแต่ถ้านาเต็มที่โลกท้ายข้าเก็บหนักเข้าหนักเข้ามันเป็นไปไม่ได้แน่จริงฉันไม่บาทก็จะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แน่จริงเมื่อมันเพียบกว่าแล้วประจำเป็นอันนีนั้นมาให้ส่านชดบ้างเราเป็นคนพูดเองเราเป็นคนทำเองอ่เหมือนกับเราประกันท่านไว้เลยเบาอทีก็ผมเถียงกันยุ่งเหยิง วาลานี้เป็นเนลาจาเป็นของครูบาอาจารย์ก็ไม่ทาอต่นี้บ้างดิจะทำได้จะได้ยังไงขอโใครจะมายึด อ, อของเนี่ยให้มันยึดไปเหมือนจากตัวโลกวิจิตรไปสึดทา ห, งหงกกัวหน้ตาบดอะไ ร, รนี่ว่างนี่อันดีก็สอนว่าพอเต็มกสิกําลังของครูบาอาจารย์แล้นี่เวลานี้จะตายอยู่แล้วนี่แล้วยอนผอนผันตามธาตสถานะนี้มันจะมายึดันยึดไปะหรว่างนี่ของนี่แล้วผมขอทํานจัน นก็พูดแล้วมีนสัันผมเป็นนิสัยอย่างนี้นะเ <Okay. S 1> วลาจะโตกับท่านจรก็ไม่ใชะเล่นเหมือนกันนานนี่นะท <Okay. S 1> ่านก็รู้ถึงเมตตาหน้านหละเ้าเอากินก็จังกับท่านอาจารย์มั่นเมื่อก <Okay. S 1> ีอ <Okay. S 1> ้ท่านก็จะ เ, เห็นถืออล้วกับเรา <Okay. S 1> มีหลายเงี้ยหลายก็ตรงที่ท่านหาไ <Okay. Okay. S 1> เป็นเดียวอาหารนี่ก็ท่านจนารมันปกติท่าน ไม่ค่อยจะรับไม่ดัดใให้รับของเขาตามมาท่านเคยนานๆทัานเทศทีนานๆเทศทีอเรื่อฟังนี่อาจฉรย์ท่านเป็นี่ท่านกลัวว่าพระจะดูทุดูมาเห็นว่ายมเฮ้ยย่าใส่บาตรเอาเรีกเนมาตามมาสมาเยรสมบัติหวานนานว่าสิมีน้องเผยตอนที่ดด่นเขมันมีเขามาเข้าไปเกี่ยวข้องมันไกลแสนกลตั้งแตห้ารย ถ้าเดินตักนะถ้าเดินทางโค้งอ้อมขามกับาหกร้อเส้นมีแต่พวกนั้นมาเรียนมาไม่มีผู้อื่นมาเรียคปรนกระต้นปนเตรยท่านพูดองนั้นกับสะดวกเป็นความดีมีที่อื่นมามายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาก็เปอนอย่างนเรื่องท่านัจมันมียืดมาให้หมู่เพื่อนได้เห็นมัน็นแบบ าบาทตอนสอนตอนสอนสอนีน่ตนสันไลยพิจารณาแล้วทำไมบาทถ้าอยู่บนเชิงบาทเวลาเราเราออกจากที่มหรือมัดเชิงบาทแล้วมันตกได้ง่ายลงวางมันไม่ตกถ้าอยู่บนเชิงบาทมันตกง่ายแล้วมันก็มีพยานอีกด้วยจริงเราก็เห็นอยู่กับท่านฮะ พระเอาเล็บบาตวางไว้บนเชิงบาตรท่านคิออกจากที่มั่นแล้วมากข้มาพระหลายองค์นั้นเดินมาองค์นี้เดินมาที่นี่ก็พอดีมาเขี่ยนนี่ก็วิ่งตรงุกไว้แบบเป่าลมนรงนู้นเห็นต่อหน้าตากักองดินนะบาตตรงนั้นบาตรลูวางไม่เชิงนั่นมันเป็นพยานอย่างชัดเจนที่ท่านคิดนี่ผูกต้องที่สุดเลยยอมรับทันทีมันเป็นพยานเห็นแล้วยผมเห็นด้วตาผม การไมนไม่พิจารณาธรรมดาแล้พ the yes, ิจารณาลึกซึ้งจริงระย่อนละอ่อนมากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยป็นเรื่องแปลกๆที่มีน่าพูดทุกอย่างนะมาเกี่ยวข้องกับท่องที่ผมเคยพูดให้ฟังบินทบาดมาได้น้ําอ้อยงบเขาห่ออย่างดีมาเวลามาแกะออกขนมอเอาน้ําอ้อยนั้นมันสะอาดนะ ไ, ม, ไ, ม, ด ไ, ดไ ม, ม่ไม่เพื่อนนั้นให้ไดเก็บไว้ฉันไม่รายการก็ได้ประมาณภาพที่ปอยุ่ใหม่มาอยู่รุ่นของเราโอ้ทำไมฉันสามารถมาเป็นผู้เพ่งคับในพไะนายนําอ้อยที่เขาสบายมาแล้วเอ่ประาณฉรตอนราการนี่นอยากดีพระนายนี่สองประเภทพระนายนี่อธิบายไว้ช่วงหนึ่งว่ามันอะไรที่รับประทินพร้อมกับอาหารแล้วก็เป็นไปตามอายุอาหาร อันนี้พูดคุ้มภูมิว้อยแล้วแยกไปพูดว่าการลิกแล้วคนกันน่นติงชาติเจงการลิกแล้วคนกันแต่การลิกอนุญาตที่มารับคนกันกับอามิตรหรือรอายุชั่นแล้วก็เป็นประจํอนุญอายุชั่นเห็นน้ําตาลเอาสมตัวข่าแล้วมันก็เป็นประจําข่ามเสียข่ามโดยเที่ยงการลิกแล้วคนมันก็มี ผู้นั้นไม่เห็นนั่นสิไม่เห็นไปยังไงก่อนนี่ว่าตกกลางคืนมาท่านพิจารณาไม่ทาบนะเป็นรู้นะตอนเ้ามาเฮ้อใครวาเฮ้อนั่นอะไรนะความจริงท่านรู้ตัวแล้วท่านมาพูดอย่างนั้นเพื่อให้ได้พิจารณาให้ผู้นั้นมีได้สติได้พิจารณาทบทวนคือนี ไอเท่าอย่างนี้มีใครม า, มาวดดีว่าฉลาดตัวไอเท่าอะ่ะหลายเท่า่ายมันโง่นะไม่รู้ทำรู้วินัยอะไรแหละท่า น, นก็บรร ญ, ญายไปเนี่ยพอให้จับได้หนึงน้ำอัดน้ำตับผดขันธบุออกไปเลยยังไม่ชัดอ่ะ คืนวันนี้จะเอาอีกวันนะ่ะคืนวันนี้เอาอีกกันจะพารณาอีก่ยมันเห็นจะชัดตัวสำคัญมามั น, น, นคือโยโกกฎ ท, ท่านท่านเวลาท่านไปภาวนาคุณชนคอยข้าวันหลังมากยังไม่ถึงข้าวันหลังเเห็นโทษจะขอกลับมาโทษทันนั่นก็เลยว่า เบงนันเนียท่านรู้ได้ขนาดนั้นนังนที่ผมเขียนเรื่องบุหรี่ราคาไก่มันม น, น่าสะใจเท่าไหร่นี่นะอืมีอยห็งต่อหน้าต่อตาพวกีันยืนด้วยเนะนี่มันชัด เ, เจนเจ้าเหตุเอาผลมาจากไหนทำไมใช่เป็นเรื่องของท่านรู้ภายในจริงๆไม่มีทางอื่นเลยมันบอกชัดๆอยูอ่แล้ว ญาติโยมเเก็บไว้ตามผสษีภาษาขอเาไม่พระเนรท่านก็ไม่เคยสนใจละเรื่องการเงินการทองนถุยท่ารู้สังเกิดูนะญาติโยมเขาเมืเอเขามาสวายแล้วเขาเก็บไว้เขาสวายตรงไหนเขาเก็บไว้ามธรรมดาของเขาพระเนท่านก็ไม่เสนใจละนะครับพระเนนต้องต้องการถึงนั้นนี่เขากระจัดซื้อมาให้มาเอาทิพนนานาระเนรก็ซื้อนี่มาที่ บุรีปกาไก่นี้ม า, า, าแล้วก็ไปวางไว้ที่กองบุรีท่านกับกองหมาท่ด้วยกันมุมเกา่านี่แล้วคันตีอะไรสำอะไรสำหรับห้อยก็ติดน้ำน้ำชาน้ำหมองร้อนตรงนี้ที่กระดานนั้นก็มี กองบุหรี่มีกองหมากนะท่านแน่เข้าไปห้องด้วยแล้วท่าก็ห้องท่านเฉยท่านไม่ไม่สูบไม่ฉนหมากส่วนจะสูกแค่ฉันให้เราสูบที่นพอท่านฆ่าจางหายแล้วก็ขึ้นไปเอาบุหรี่กระลาวกเข้าไปถุงนั่ะท่านก็เลยว่าอะไรท่านก็คุยมาเเช้าวันหนึ่งเลยนั่นท่านพิจารณา พอขึ้นไปปุ๊บองนี้องนั่นก็ขึ้นไปออืขึ้นแต่ปุ๊บนี่เอาไปบุหรีน่นี่ของรายเจ้าไม่บริสุทธิ์วางนั้นเลยนะผู้จังเด็ดด้วยนะออืบุหรี่ของบุหรี่นี่เอาไปของลายเจ้าไม่บริสุทธท่าไหร่อันนั้นก็ขึ้นแล้วตอบท่านข้าท่านว่าโอ้ไม่ใช่ของรายเจ้าเขาผมเป็นคนสั่งมาโดยเฉพาะมาตามาามา่อแม่คุณยายจันหี่ว่าแม่คุณจาเคยสูบบ่อย นั้นแหละของหลายเจ้ายีบเอาไปมันไม่บริสุทธิ์เอาไปหิวนี่นั่นที่เนี่ยเร่งเลยนะอืมมันไม่บริสุทธิ์ของหลายเจ้าน่นเอาเลยนะที่เนี่ยดุเจียมๆเลยตกลงก็ต้องได้ออกไปไม่ทราบจะทําัไงกลาวเยี่ยนตั้งขนานะ้นท่านไม่ยอมฟังเพราะความจริงเต็มหัวใจท่านแล้วมันพอลงมาแล้วท่านนั้นก่อนที่เนี่ยพยายามเยี่ยมดูถามดูนะ่เนี่ม่เขาทราบเรื่องนี้นะ เพียงว่าถามโยมที่เอาปัจจัยซื้อกองบุรกาไก่มารานี้โยมเอาขอาถาจะพว่าเรื่องมีขององค์ไหนบางเนีโ้ยของหาย <c oughs> ๆๆๆนะองค์มันนาไหลนน่ะเขาไม่รู้เรื่องนะเือ้ถามเนี่ย่านแสไม่ได้เสียวท่านมั่นหขเขารู้นะครูบาาการหลายองค์ท่านสงต้องการนั้นต้องการนี้ก่ที่นี่เวลาปัจจัย ของท่านนั้นของท่านนี้เหลือผมไปรวมมาซือบืนมาถวายอาจารย์โอมามามาถวายอาจารย์ช่อาจารยนี้แหละผมซื้อบืนมาท่านนั่นเป็นอันมาได้ความเข้าใจโต๊ตาเป็นอย่างว่าอย่างี้องค์ไหนบ้างอะไรถามคือองค์นั้นองค์นี้อะไรองค์ไหนบ้างที่สั่งเมื่อวานนี้ที่สั่งไปเมื่อวันศุ่นั่นหรือวันศุ่ยนั้นไปเมื่อวานนี้ ของประสายท่านท่านดุแล้วอ๋อโยไปให้ท่านทั้งวันนั้นแล้วกคืนท่านกับพิจนาวันหลังม่านดุบอกให้วกลางคืนเหนียเดี๋ยวโยมาถามวันนั้นเขา ก, ก็กานนกกกก เ, เาามมากลานะองนั้นหนึ่ ง, งนนหนึ่งูตาหนึ่งในใจถามว่าคุณ น, นะเอฉะนั้นนะ่ะถามไม่ใช่เลยประ่านั่นเนี่ย พองั้นก็บปักข่าวงั้นฮะปักข่านี้ไปพูดเรื่องราวให้ฟังตามเรื่องแต่ตางองค์ก็ต่างมีความเรื่องใจต่อครูบาอาจารย์ถวายอยู่แล้วใครจะขัดจากกล้องไปคัดค้านที่ไหนไม่มีได้ที่ไหนโอ้โหทย่างนั้นแต่เอ้ยโอยดีดีๆๆๆๆๆบหมดแล้วยี่ไปถวายท่านก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้ที่เรใครก็ไม่รู้ว่าแล้วถ้ารู้โอ้ยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไปก็ประกาบเรียนท่านตามเรื่องความจริงนั้นถูกต้องอย่างครูบาอาจารย์ วาหมุหวานวนี้น่างนีคือของเสร็จแล้วเพื่อนกมวนเพื่อนก็รวมมามาซื้อเลยเป็นของรับเจ้าเปนะ็นกุมวาจารย์วา่างถูกต้องที่นี่มันนาพระ้นขนาดท่านพอใจแล้วได้ได้ฟูใท่านฟังท่งานเข้าใจแล้วพอใจหมดทุกองค์พร้อมกันพร้อมหน้ากันด้วยสุดท้ายถวายกบาวาจาย์ให้เมตตาวางฟูไม่ว่าอะไรเลยท่านไม่ว่าอะไรเลยแล้วท่านสุกเป็นหมดนะ ผมดูขนาดนั้นนะมไม่มีใครไปแตะท่านประท่านล้ว ม, มีแต่วันนละมวลสองมวลนงตามาวิถนตอนเท่ากระสุกสมวมวหนึ่งตอนบ่ายกระสมวลเวลาออกจากที่มาถูกสมวตอนเท่าหมากักคํานึ่งกงารทหารนะนอกจกมีแขกมท่านก็ฉันหมกบ้างตอนนี้นมตหมา ก, กาาาย ท่านมีแผก็มีบงคือเพิ่มบ้างท่านหมาคุยกแผลบางถ้าไม่มีก็ตอนตั้งหันแล้วท่านจะท่านหมาทําบุริ่มวลนะพอตอนบ่ายสองโมท่านออกจากที่มาตัา้งแต่ตัสุบริมั่งท่านน้ํานอนนวดบรีนั่ท่านหมาคุยกับพระกับอะไรต่างท่านอันนพอนั้นกับสามโมง ก, ก, ก็ลงปัดกวาดสามมงกุก็ลงตัดกวาดเสแล้วสูงน้ำคงคาขึ้นมาท่านก็ปิดการนั้นตั้นักทันแต่ทันตอนนั้นวันนี้พอจะนั่งลงโดยเหมึ่งกรมขึ้นมาแล้วอีกครั้งไม่ดีว่าละล่ะตัานขึ้นแต่ทานกรมแล้วพ้าหนึ่งก็ขึ้นไปท่ยานทยอยขึ้นไปธรรมดาตามระยะใส ทำไม่ใ่วันประชุมนี่ขึ้นไปวันสามองค์สองค์นหน้ามีแบบภาพที่กิดกันขึ้นไปกานต่างหันแล้วหนึ่งตอนช้ามันมีทังหอกอก่อนต่งหันไม่มีข้างบุรีข้างหมอกไม่มีเลยเไม่เคยหนตงหแล้วมีหมอก้นหนึ่งทั้งหมอทั้งบุหรี่ตอนบ่ายสองก็ทั้งหมอยู่คี้นหนึ่งอีกแล้วตอนห้างย็น ห้ น, หนตอนเในกองกเป่ น, นมืดขึ้นมาหุ้ น, น่ก็รุ่มีสิถ้าบุหี่ก็สิทถ้านาฬิกา็สิคําปกติมันไม่เลยนะถ้ามันมีแจกแจกเข้ามาในตอนในเร น, น่องันอาจมีเพิ่มบอางถ้า ต, ต้องเวลาู้กะมีผ้ามานั่นมงมนั น, มม น, น, ม น, นก็ต้ังหมากฝายยื่นมาทางเหมืนกันแต่ท่านบอกตามมาไม่ฉันรุ่งไม่ นี่เป็นปกตินิสัยของท่านอ่านใจมาไม่พยายามา ด, ดิจิตอลปฏิบัติอาจจะว่าเป็นตาเป็นเตอ์แล้วก็ช่างใครเจอหลงท่านอาจามั่นเป็นตาเป็นเตลวไม่มีใครเยจะเป็นทองคำต้งแฉ่งมาแข็งทันเพว่าอันนี้เพอพอใจเรานี่บาทอันนี้มันกันตัวอเล่าก็ยังไม่บอกข้าบอกงา ตอนแรวา ง, างจำันาถูกต้องตกดูผล น, นองท่านทุกการทุกธนาแัาน่นอคงจะมีอย่างนั้นเพราะท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าบาทแคอยู่เชิงบาทมัดติดกันไว้ขเขางม่มีปัญหากันไลยถ้าออกจากที่มัดติดกันแล้วเอามาวางนี้ตกได้ง่ายตรงนี่นิดหนึงก็เสียบาทเพราะว่งอะไรบ้าง เ้าแต่ก่อนบาทนี่จะบาระบอมั้งนั้นนี่ระวบมแทบลมแทบตายทุกวันนี่มันเป็นบาทอะไรไปเยอะเลยแต่เราก็พิจารณาคำนึงถึงหลักธรรมหลักนหน่อยี่มมันควรอารวมกับตต่างเพราะการระบมบาทรันก็ระเมเพกันอันนี้มันไม่มีเนยานี้แล้วแล้วก็เป็นบาทเลกแล้วก็พิจารณาก็ไม่ขัดกับตัววินัยวบาทดินบาทดินหนึ่งบาทเล็กหนึ่งใช่สองอย่างบาทที่เด็กอย่างนีเลยที่ห้ามใช้ ก็มีอยู่แอันนี้บาทที่ตรงนี้ยากดันเลยเหล็กนี้ก็เป็นเดล็กด้านสนนะิไม่ระเบมก็ไม่มีอะไรขัดข้อทางวิญญเพราะการระเบลมก็เพื่อกันสนิมเมื่อไม่มีสนิมเลยแล้วก็ไม่เกปัญหาเราเทียบเทียบเหมือนกันเป็นดันด้วยก็เอาบ า, า, า, าดินมะาทาก็ะด้างตรที่เป็นนั่นเราเป็นอะไรมต่าง คิอะไรมันต้องหลักถือหลักทำหลักวิ น, นัยไว้เสมอนาี่การงานอะไรปักเป็นการเวลาปักขวดอะไรก่อนการรักก่อนพยายามารักษาลานรักยากวดสับแต่ว่ากวดให้แล้มือเฉยเฉยสับแต่ว่าทำเหมือนนั้นใช่ไหมไล่ะเราปักขวดลานรักทําอะไรอะไรตามเราทําเพื่อเราเพื่อผลเพื่อประโยชน์ เพื่อการทำฝึกสติปานนั้นเสร็จความวัดปฏิบัติก็น้าสติก็ดีฝึกหัดตัของอย่างเป็นคนหลักลอยจับจดเป็นคนจริงตังทำอะไรให้มีสติสตังแล้วความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นปรกตผหนาและเป็นความอบอุ่นคือความสามัคคีสมาให้เป็นความอบอุ่น การจะพูดต่อกันในแง่ใดก็ตามยานี้หลักเหตุผลคือธรรมพูดอะไรก็ให้ลงในหลักธรรมเป็นที่ยุติธรรมใหญ่มากเราไม่ได้ใหญ่เราจะเรียนรู้มามากน้อยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เพราะธรรมอุตส่าหใจมาศึกษาอบรมธรรมมาเข้าสู่ใจตัวเองต้องเคารพธรรมเคารพเหตุผล เราไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามีเหมือนเพื่อนผูงต่างคนต่างมุ่งมาเพื่อเพทําด้วยกันเรงเห็นอธัธยาศาัยใจคอของกันและกันเหมาะเลีงเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าให้มีที่ถี่มันะเป็นเครื่องโดนกันด้วยความปวดดีปวดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายต่อหมู่ต่อคณะจะเป็นความเลวทามที่สุดสําหรับภูนาะไม่ใช่ของดีสิวันนี้เราพยายามทำละมันอยู่แล้วทุกวันอย่าเลี้ยงมัน อย่าเเนาะออกหน้าออกตาขายจากตลาดในหมูคณะให้เหวี่ยงเป็นครับซึ่งเป็นความเสียหายมากมายและเป็นความเลวอย่างดูไม่ได้อยู่ไม่น่าให้อภัยบินฑมาตกลับมาก็ให้ดิบจะทําอะไรก็ให้ดีบตกักวิวนอะไรก็ให้ดิบเสร็จแล้วขึ้นมาช่วยงานนั้นงานนี้คนนั้นได้สิ่งนั้นคนนี้ได้สิ่งนี้จะช่วยกันทำํำอูทํามแฉลบแฉตายมือเป็นวัด เป็นไอไปหมดพูดไม่ได้เรื่องในลาวองมีอย่างนั้นอย่าให้มีดูนะผู้ทำก่อนทำยังไงๆให้สังเกตดูความคิดมีมาศึกษาตาก็ดูหูก็ฟังทำช่วยกันอะไรเสร็จก็ให้เสร็จไปอย่าฝากไปว่า่างนั้นท่านจะทำนูนั้นจะทำอันนี้จะทำเรา เช้วาวัดิบไปเสียเข้าใจว่าเป็นปัญญาดิ่งนั่นคือคนปัญญาตามความเห็นแก่ตัวไปอยู่ก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะไปวัดไปไปอยู่ที่ภาคไปถ้าไปแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทรรเป็นความเห็นแก่ตัวย่อแล้วมันมีแต่ความขี้เกียจต่างๆต้องมีทางธรรมาพูพูดตามอยู่ก็ได้พูดอะไรบ้าง